มงกุฎไพรเล่มสองตอนที่หนึ่งร้อยเก้าสิบรับพินมีอาการสะดุ้งตื่นจากผวังหลับตาลงแล้วลืมขึ้นใหม่ฝืนยิ้มแต่ยังคงมองไปยังทิศทางเดิมโดยไม่เปลี่ยนจุดนัดพบระหว่างที่วาและราตรีอยู่ที่นั่นเขาบุยปากไปข้างหน้าและจุดหมายปลายทางครั้งสุดท้ายของเราก็อยู่ตำแหน่งนั่นด้วยภารกิจของผมกำลังจะหมดสิ้นลงแล้ว ประโยชน์สุดท้ายของเขาเบาวิวเหมือนสายลมอ่อนที่โชยแต่ยอดหญ้าอยู่ในขณะนี้รพินเราทุกคนที่เคยกระทำการอันดูเหมือนเป็นการบีบบังคับให้คุณต้องนำทางมาในครั้งนี้ล้วนเข้าใจความรู้สึกภายในของคุณได้ดีทั้งสิ้นเพียงแต่ว่าเราจะพูดออกมาหรือไม่เท่านั้นเพราะเห็นว่าพูดไปมันก็ไม่มีประโยชน์มันจะกลายเป็นการบีบคั้นทรมานคุณหนักขึ้นไปอีก คนที่เพียพร้อมไปด้วยคุณธรรมความดีอย่างคุณผมแน่ใจว่าพระเจ้าไม่ทอดทิ้งหรอกเขาผู้นั้นยิ้มอีกครั้งอิดโรยและเหนื่อยหน่ายต่อชีวิตใช่พระเจ้าไม่ทอดทิ้งผมหรอกท่านกำลังทอดพระเนตรดูผมไปตามยถากรรมไปตามกรรมเก่าในอดีตของผมเองเพียงเฝ้าจับพระเนตรอยู่ทุกขณะก็ต้องนับว่าพระองค์ไม่ทอดทิ้งผมแล้ว ไม่คิดบ้างหรือว่าท่านอาจยื่นพระหัตถ์ลงมาเกื้อหนุนคุณบ้างเพื่อให้ผมได้ถึงวาระสุดท้ายแห่งชีวิตอย่างสันติโดยปราศจากความเจ็บปวดทรมานครับผมคิดหวังไว้เช่นกันบัดนี้แวดล้อมรอบกายของเขาฝ่ายของนายเจ้าอเมริกันทั้งหมดรวมทั้งเชิดวุธได้เข้ามายืนประกบใกล้ชิดอยู่ข้างๆตัวแล้วห ล, หลายฝ่ามืออันเต็มไปด้วยความเอื้อ อ, อารและเป็นมิตรอย่างสนิท ได้วางแตะมายางแขนและไหล่ของเขาอย่างปลุกปลอบเพื่อนรักนายไม่คิดบ้างหรือว่าณนะตาแหน่งอันเป็นจุดนัดพบระหว่างที่วาและราตรีที่นายกำลังยืนเพ่งอยู่ในขณะนี้นั่นนะรางวัลสูงสุดในชีวิตของนายอาจรอคอยนายอยู่ที่นั่นแล้วโดยความเมตตาเกื้อหนุนของพระผู้เป็นเจ้านี่เป็นประโยคและกระแสเสียงที่สุภาพอ่อนโยนที่สุดของคิด นับตั้งแต่เขาได้ยินมาจนต้องเหลือบหางตาไปดูซึ่งก็เห็นเข้าหน้าและแววตาแห่งม่ตรีจิตมิตรภาพอย่างแท้จริงจ้องมาก่อนแล้วขณะที่พูดเช่นนั้นพันเอกลารีคิดอดีตคู่ปรับเก่าจนในที่สุดเหตุการณ์และเวลาทำให้กลายมาเป็นเกลอกันรูปแผ่นหลังเข้าเบาๆคิ้วด้านหนึ่งของรพินเลิกขึ้นน้อยๆนายว่าพระผู้เป็นเจ้าจะเมตตาเก้อหนุนอะไรแกฉันลาคิด นอกเสีจากผลงานที่ฉันถูกบังคับให้มาทำซึ่งในที่สุดก็มองเห็นอยู่แค่เอื้อมนี่แล้วคริสเธออาจเป็นเพียงคนเดียวในหมู่พวกเราที่สามารถพูดกับเขาได้เข้าใจมากที่สุดลองบอกให้เขาทราบในสิ่งที่พวกเราอยากจะบอกกับเขาสิคีตหันไปพยักหน้ากับคริสตินาผู้ซึ่งบัดนี้ได้เดินอ้อมมาหยุดยืนอยู่เบื้องหน้าเขาพร้อมกับอิซาเบล รับพิงขโมดคิ้วเข้าหากันนิดหนึ่งขณะที่จ้องหน้าทั้งสองสาวสลับกันเหมือนจะสแสวงหาความในและแม่ผมทองซึ่งเคยเป็นปัญหาวุ่นวายอยู่ในดวงจิตของเขามากที่สุดก็เอ่ยขึ้นด้วยกระแสะเสียงนุ่มลึกว่าพวกเราทุกคนหวังและภาวนากันโดยไม่ได้บอกให้ครูรู้ตัวมาก่อนเลยว่าณนะตำแหน่งใดตำแหน่งหนึ่งอันเป็นจุดหมายปลายทางที่ครูได้นาพวกเราไปตามพันธสัญญา อันได้สร้างความเจ็บปวดรวดร้าวให้แก่ครูที่สุดนั้นขอให้เป็นความสุขสมหวังในสิ่งอันเป็นยอดปรารถนาของครูโดยมีใครคนหนึ่งที่ครูคร่ำครวนและลึกถึงอยู่ทุกลมหายใจเข้าออกได้ไปคอยครูอยู่ก่อนแล้วครูควรจะได้พบเธอตรงจุดนัดพบระหว่างทิวาและราตรีและนี่คือรางวัลที่พระผู้เป็นเจ้าประทานให้แก่ครูตามที่พวกเราหมายความไว ระพินไัยวันยืนตัวชาไปชั่วขณะเป็นความจริงครับพี่พวกเราได้ภาวนาไว้เช่นนั้นภาวนาให้คุณหญิงดารินวราฤทธิ์ติดตามพี่และคณะของพวกเรามาและถึงแม้จะตามไม่พบกันระหว่างทางก็ขอให้ตามทันและพบอย่างดินแดนเบื้องหน้าที่เรากำลังจะย่างเหยียบเข้าไปนี่แหละเสียงชัดเจนของเชิดวุฒดังแทรกมาอีกคนหนึ่งอย่างหนักแน่น จริงจังบุรุษผู้เกิดมาท่ามกลางความอาภาัพอับโชคตลอดทั้งชีวิตบัด น, นี้ตกอยู่ในสภาพมืนงงลำดับต้นชนปลายไม่ถูกเขาไม่คาดฝันมาก่อนว่าจะได้ยินคำพูดเช่นนี้จากบุคคลกลุ่มนี้อะไรที่เป็นจุดบันดาลใจทำให้กลุ่มนายจ้างของเขากล่าวออกมาเช่นนี้ได้รัพินมีความรู้สึกที่ไม่อาจก่าวถูกมันอโศมานไปหมดทั้งสมองและในที่สุด ก็กลายเป็นความขบขันหัวเราะออกมาเบาๆพรางสายหน้าแช่มช้ายกมือคีบสันจมูกของตนเองเอาละผมเข้าใจในความปรารถนาดีของทุกคนโดยตั้งความหวังหยิบยกเอาความฝันอันสูงสุดของผมขึ้นมาตั้งเป้าหมายไว้เพื่อปลุกปลอบใจผมแต่ทำไมพวกเราจึงมาพูดกันในสิ่งที่เหลวไหลไร้สาระไม่อาจเป็นไปได้นี้ ถึงอย่างไรก็ตามขอขอบใจคริสเบลและทุกๆคนที่พูดในสิ่งที่ผมไม่ได้เคยบังอาจหวังไว้เลยเท่าๆกับไม่เชื่อหูว่าพวกคุณจะพูดหรือหวังกันไว้อย่างนี้ด้วยส t ตนลี y มีอาการเหมือนจะพูดคำใดออกมาในขณะนั้นแต่คริสมองด้วยสายตาปราบไว้เสียก่อนตัวหล่อนเองกล่าวกับเขาเหมือนจะเป็นการตัดบทว่าเอาเถอคะค่ะ พวกเราพูดในสิ่งที่ครูคิดว่าเหลวไหลเป็นไปไม่ได้แต่ก็ขอให้ทราบว่าพวกเราพาวนาะเอาใจช่วยครูไว้เช่นนั้นก็แล้วกันและถ้ามันเกิดเป็นความจริงขึ้นมาพวกเราก็จะพลอยปราบปลื้มเป็นสุขใจไปด้วยทั้งๆที่เปอร์เซนต์มันอาจมีเพียงหนึ่งในพันล้านของโอกาสตามที่เราหวังไว้นี้มาเข้าหาเรื่องจริงที่เรากําลังเผชิญกันอยู่ในขณะนี้ดีกว่า ตอนนี้ครูรู้สึกบ้างหรื อ, อยังเขาว่าการเวลาที่มันหยุดไปช่วขณะระหว่างที่เราเดินทางลงมาที่เนินพระจันนีขณะนี้มันได้เริ่มต้นเคลื่อนที่ตามจากราศีอีกแล้วเคมิาทีของพวกเราเริ่มเดินเมื่อมาถึงตำแหน่งนี้ได้สำเร็จคำพูดประโยคหลังที่เปลี่ยนเรื่องของคริสติน่าไม่เป็นผลให้รัพพินมีอาการชงนหรือแปลกใจอะไรทั้งสิน้นเขาตอบมาด้วยอาการปกติธรรมดาเหมือนไม่ได้เกิดอะไรขึ้นเลยว่า เวลาเริ่มต้นเคลื่อนที่ในทันทีที่เราลงมาถึงเนินพระจันทร์นั้นเป็นสิ่งที่ถูกต้องแล้วไม่ต้องดูเข็มนาฬิกาให้เสียเวลาดูอาการลอยตัวของหมู่เมฆก็รู้แล้วพวกคุณมารู้สึกถึงการเวลาที่เริ่มเคลื่อนจากภาวะหยุดนิ่งได้เองโดยผมไม่ต้องบอกก็ดีแล้วและขอให้ผมได้บอกกับพวกคุณทุกคนไว้เสียเดี๋ยวนี้เลยเพื่อจะได้รู้ร่วงหน้าไว้บนโน้นพร้อมกัน เขาก็ชี้มือไปอยังเทือกเขามมือมาเบื้องหน้าที่บางส่วนถูกปกคลุมไปด้วยแถบของหิมะเป็นริ้วขาวโพ้นอยู่ทั่ ว, วไปสลับกับสีดำของพื้นหินภายหลังจากเราหาทางขึ้นไปจนพบกับถนนพระศิวะการเวลาของโลกภูมิศาสตร์จะหยุดลงอีกครั้งแม้แต่เข็มทิศก็จะใช้การไม่ได้มันจะเป็นการเวลาของโลกอีกโลกหนึ่งไปทุกอย่างของโลกภูมิศาสตร์ที่เราเคยรู้จัก จะเปลี่ยนแปลงไปหมดสิ้นกลายเป็นซีกส่วนของดินแดนอันหลุดพ้นจากโลกภูมิศาสตนี้ออกไปโดยเฉพาะเป็นแดนสนธยาอย่างแท้จริงไม่ใช่แดนสนธยาที่เพียงแต่จะพูดเปรียบเปรยกันเท่านั้นแม้แต่ภาษาที่พูดเขาเน้นเสียงขณะที่มองกลาดไปยังใบหน้าของทุกคนแม้แต่ภาษาพูดพวกคุณก็จะพบกับความประหลาดใจที่สุดในข้อที่ว่า พวกชนในดินแดนนั้นพูดภาษาหนึ่งพวกเราก็พูดกันอีกหลายๆภาษาไม่ว่าจะไทยอังกฤษกเกรียงแต่ทุกคนเมื่อเหยียบไปถึงดินแดนนั้นแล้วไม่ว่าใครจะพูดภาษาอะไรเราต่างฝ่ายต่างสามารถจะเข้าใจซึ่งกันและกันได้ดีที่สุดเหมือนเหมือนกับว่าโซนประสาทรับฟังของแต่และฝ่ายมีเครื่องแปลงภาษาติดตั้งเอาไว้ให้พวกเขาพูดภาษากูโบส เขาพูดมาเราเข้าใจได้ทันทีเท่าเท่ากับที่ฝ่ายเราไม่ว่าใครจะพูดภาษาอะไรเขาก็เข้าใจได้ดีเช่นกันรวมทั้งพวกเราเองด้วยบนนั้นแม้พวกคุณจะพูดอังกฤษและพวกพรานพื้นเมืองของผมจะพูดไทยหรือกะเหรี่ยงต่างฝ่ายต่างก็จะเข้าใจกันได้ดีไม่ต้องมีใครมาคอยเป็นล่ามแปลให้อีกแล้วมรกนครในหุบเขาศิวะมีสภาพเป็นเช่นนั้นจริง บอกให้ทราบไว้ก่อนล่วงหน้าเช่นนี้พวกคุณจะได้ไม่ต้องประหลาดใจเกิดปัญหาขึ้นภายหลังเมื่อไปเผชิญพบเห็นกับสิ่งนี้เข้าทุกคนของฝ่ายนายจ้างพางกันช ง, งนสนเท่ไปหมดและได้สอบซักถามเขาอยู่อีกพักใหญ่เกี่ยวกับความมหัศจรรย์ในเรื่องดังกล่าวรพินพยายามอธิบายให้ฟังเท่าที่สามารถจะอธิบายได้ตามประสบการณ์ที่ผ่านมาแล้วจนเป็นที่พอจะเข้าใจกันได้พอสันฐานประมาณ รวมทั้งสภาพความเป็นไปของมรกรกนครอันเป็นเมืองลับ แ, แลที่ซ่อนอยู่ในหุบพระศิวะซึ่งไม่มีการเกี่ยวข้องใดๆกับโลกภายนอกเลยทั้งสิ้นทั้งหมดเริ่มต้นศึกษาไว้ก่อนเพื่อเป็นพื้นภูมิเบื้องต้นในทันทีโดยการเรียกพรานพื้นเมืองทั้งสี่ของรพินซึ่งเคยผ่านดินแดนนั้นมาก่อนแล้วในครั้งนั้นมาสอบซักเพิ่มเติมซึ่งแต่ละคนก็บอกเล่าความเป็นไปเท่าที่ได้พบ เห็นมาโดยไม่มีอะไรที่จะต้องปิดบังกันอีกแล้วทุกสิ่งทุกอย่างที่เราพินได้เก็บงําซ่อนเร้นมาตลอดระยะแห่งการเดินทางเพิ่งจะมาถูกเปิดเผยให้ฝ่ายนายจ้างอเมริกันทราบโดยตลอดเมื่อต่างบรรลุถึงเนินพระจันทร์อันเป็นปากทวารเข้าเดินแดนอันลี้ลับนี่เองผมไม่มีสิทธิ์ที่จะนําสิ่งเหล่านี้มาบอกกับพวกคุณได้เลยถ้าเรายังไม่ถึงเนินพระจันทร์เพราะผมไม่มีทางที่จะพิสูจน์ได้ให้พวกคุณเห็น แต่เมื่อมาถึงเดินพระจันทร์แล้วมองเห็นหนทางที่จะเข้าสู่ในดินแดนนั้นได้ปปโปร่งแล้วผมก็ไม่มีความจำเป็นใดๆที่จะต้องปิดบังไว้อีกและที่ผมนำบ่ายหน้ามาที่นครรับแลแห่งนี้ก็เพราะผมแน่ใจว่าเครื่อง B 5 2พร้อมทั้งระเบิดนิวเคลียร์เมกะตันของพวกคุณตกอยู่ในดินแดนนี้อย่างแน่นอนแล้วเราจะได้เห็นกันว่ามันเป็นไปอย่างที่ผมพูดไว้นี้หรือเปล่า บอกแล้วว่าพวกคุณจะหาทางกู้ระเบิดกลับไปได้หรือไม่อย่างไรไม่ใช่หน้าที่ของผมผมมีหน้าที่เฉพาะนำทางมาเพื่อให้พวกคุณได้พบเห็นกับตาเท่านั้นว่ามันสูญหายไปอยู่ที่ไหนและเหตุใดการค้นหาของพวกคุณที่กระทามาก่อนหน้านี้จึงไร้ผลไม่พบวิแววอะไรเลยจนกระทั่งต้องเจาะจงจิกตัวผมมาให้นาทางครั้งนี้รพินย้าคาอย่างหนักแน่นเป็นการเป็นงาน แดนลี่เม้มบุ้งฝีปากแน่นพยักหน้าเนิบๆการจะกู้ระเบิดกลับคืนไปได้หรือไม่อย่างไรบัดนี้ผมไม่สนใจแล้วรหินพวกผมต้องการจะมาดูให้รู้เห็นชัดกับตาเท่านั้นว่าเครื่องและระเบิดมันตกอยู่ที่ไหนและภายหลังจากเห็นแล้วตรอดจนพยายามแล้วถ้าไม่เป็นผลเราก็ยังไม่รู้เหมือนกันว่าเราจะกลับไปรายงานให้หน่วยเหนือของเราเข้าใจได้อย่างไรซึ่งก็ช่างมันเถอะ ผมรับผิดชอบเองและงานของคุณก็จะสิ้นสุดลงโดยถือว่าเป็นผลสำเร็จลุล่วงไปแล้วเมื่อนำเราไปให้เห็นเครื่อง B52 ลำนั้นกับตาหลังจากนั้นถ้าคุณจะกรุณานำทางเรากลับออกมาให้รอดปลอดภัยได้ก็จะเป็นพระคุณอย่างสูงหรือมันจะเกิดอะไรขึ้นอย่างไรต่อไปจนกระทั่งไม่สามารถรอดชีวิตกลับไปได้พวกเราก็ไม่หวนไหนก็มากันถึงขนาดนี้แล้ว สุภาพบุรุษไพรยแย้มริมฝีปากออกไปจนเห็นไรฟันทั้งสองแถวซึ่งนานๆครั้งกลุ่มนายจ้างจะได้มองเห็นความมีอารมณ์ดีแบบนี้ของเขาเสิยีแต่แรกเราทั้งสองฝ่ายมีสภาพเป็นนายจ้างและลูกจ้างก็จริงแต่การเวลาทำให้เรากลายเป็นเพื่อนร่วมตายร่วมชะตากรรมไปเสียแล้วสัจจะข้อหนึ่งของพรานนำทางที่ชื่อรพินไพรวันก็คือจะไม่มีวันทอดทิ้งเพื่อนไม่ทรยศหักหลัง ผมนำทางพวกคุณเที่ยวขามาได้ผมก็ต้องนำทางคุณในเที่ยวขากลับจนกว่าพวกคุณจะปลอดภัยแล้วไม่ใช่ทอดทิ้งกันเพียงแค่นำไปให้เห็นเครื่องตกอย่างเดียวเท่านั้นและไม่ว่าจะเกิดเหตุร้ายใดๆขึ้นผมจะเป็นหลักประกันให้พวกคุณก่อนเหมือนอย่างที่ปฏิบัติมาแล้วนอกจากว่าถ้าผมตายเสียก่อนก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งพวกคุณไม่ต้องกังวลในเรื่องนี้ ทุกคนฝ่ายนายจ้างยิ้มสายตาที่แลมาอย่างเขานั้นเต็มไปด้วยความไว้วางใจและเชื่อมั่นเต็มที่เบลบอกมาปนหัวเราะว่าให้ตายเถอะเราอยากจะดูคุณทิ้งพวกเราเหมือนกันภายหลังจากที่นำไปให้เห็นซ่าเครื่องตามข้อสัญญาไว้เสร็จสิ้นลงแล้วแล้วฟ้าก็เริ่มเปลี่ยนสีที่ว่าการกำลังจะอำลาจากแล้วโดยการแผงเงาสลวัวมัวมนของราตรีคืบใกล้เข้ามา รับพิมชูมือขึ้นเหนือศีรษะแล้วดีดนิ้วโดยแรงเป็นสัญญาณเตือนให้พวกลูกหาบและพรานพื้นเมืองทั้งหลายเตรียมตัวเคลื่อนย้ายอีกครั้งพรางหันมาบอกฝ่ายนายจ้างของเขาว่าบนเนินพระจันทร์เมือ่อตะวันตกดินแล้วเราจะพักอยู่บนนี้ไม่ได้เพราะลมแรงและน้ำค้างจัดมากบางทีอาจมีพายุลูกเห็บด้วยเราจะเดินลงเนินไปทางด้านใต้อีกประมาณไม่เกินห้าหนาทีจะมีช่องลืบสาหรับ หลบพักนอนได้ตำแหน่งนั้นมีทาน้ำบริสุทธิ์เล็กๆไห ล, ลออกมาจากซอกหินใช้ได้อย่างสมบูรณ์เราจะไปพักกันที่นั่นสำหรับคืนนี้ใกล้ๆแค่นี้เองไปครับแข็งใจอีกหน่อย แล้วทั้งหมดก็เคลื่อนขบวนกันอีกครั้งโดยมีบุญคําทําหน้าที่นําหน้าอย่างคุ้นเคยแม่นยํากับสถานที่มาก่อนดีแล้วพร้อมทั้งโหเป็นทาสานนาหน้าไปก่อนด้วยความยินดีปรีเป ร, ปรมตามประษาของแก่จนรพินต้องตะโกนตวาดออกไปให้แกหยุดหอนเสีทีเมื่อนั้นตาคําจึงสงบปากสงบคําลงได้แต่ก็ไม่ไวายวาดไม้วาดมือรําเฉิบเฉิบไปด้วยยิ้มหัวมีอาการ ค, คริกคัก เหมือนจะมีเล็ดนายอย่างไรชอบกนรับเห็นจุปากเบาๆอย่างรำคาญใจส่วนเชิดวุธเห็นอาการของบุญคำหลุกลิกผิดสังเกตไปก็เดินลำหน้าพักพวกทุกคนเข้าไปเคียงคู่ประกบเพื่อหวังจะคุยด้วยพอบุญคำหันมาเห็นคนที่สาวเท้าเข้ามาเดินเคียงแกระหว่างที่กำลังบ่ายหน้าลงไปตามร่องเนินด้านใต้ก็หันมาหัวรอกิกคักด้วยเป็นไง ลุงคำวันนี้รู้สึกว่าลุงจะมีความสุขเป็นพิเศษนะเชิญวุฒักยิ้มยิ้มแกยักคิ้วให้ในายทหารวุฒ์ทำไมไม่เดินใกล้ๆกับแม่มคริสละ่ะมาเดินไล่บุญคำอยู่ทำไมแม่มคริสฉันก็เดินชนไหลล้มลุกคลุกคลานกับเข้ามาแทบตลอดทางแล้วใกล้ข้ามวันนี้ขอเดินชนไหลไปกับลุงหน่อยเฮอหน้าแกหัวรอดเอิร์กอาฟออกมาอีกเดินชนไหลก็ไอ้คำ จะไปเอาอะไรมันไม่กระชุ่มกระชวยช่วยให้กระฉึกกระชักแล้วก็ไม่กระฉูดด้วยเป็นไงเป็นไงให้ไอ้คำถามบ้างสิไม่ได้คุยกันายทหารวุฒิมาหลายเพลาแล้วอะไรของลุงละ่ะที่ว่าเป็นไงเป็นไงนะ่ะแม่ทำเป็นไกสือไปได้เหนื่อยยากลำบากกายอิลุกคลุกคลิกเจนตายมาด้วยกันจนถึงเนนพระจันทร์นี้แล้วสมัครสมานสามคัคคีรถกันได้ไปถึงไหนแล้ว กับแม่มคริสคนงามนั้นนะ่ะตาคำเอียงหน้าเข้ามาหลิวตาถามดื้อในทหารหนุ่มอดที่จะหัวเราะออกมาเบาๆไม่ได้เป็นความจริงในข้อที่ว่าแต่เวลาเจปวันที่เดินกันอย่างตะลุยหนักที่สุดนี้เขาไม่มีเวลาที่จะได้เสวนาปราศัยกับตาเท่าจอมสับ ป, ปะโดกเลยเพราะนอกจากเหน็ดเหนื่อยแทบเหงือเป็นสายเลือดแล้วก็ยังเต็มไปด้วยความเครียดหนัก ต่อสราพปัญหาที่ทั้งคณ ะ, ะเผชิญร่วมกันชนิดพอหยุดภักศีรษะถึงพื้นก็หลับเป็นตายและแตาคำก็ไม่ได้มาสูงสิงอะไรกับเขาแตงต่างไปกว่าการเดินทางระยะต้นเพราะแกก็มีเรื่องที่จะต้องหารือหนักอยู่กับรบพินตลอดเวลาเหมือนกันเราร่วมเป็นร่วมตายลำบากยากแค้นมาด้วยกันจนเกิดความรักความเข้าใจความสนิทสนมกลมเกลียวกันทุกคนนั่นแหละ ไม่เลือกว่าเฉพาะฉันกับแม่มคริสหรือใครกับใครถึงไอ้เจ้าอูทะพัโตสองคนนั่นฉันก็สนิทกับมันมากที่สุดในตอนนี้บ ะ, นะานายทหารนี่ถามอย่างหนึง่งไปตอบอีกอย่างหนึง่งเดี๋ยวนี้มีความลับกับไอ้คําแล้วหรือยังไงเสียแรงเคยหารือกันมาตะแรกไอ้คําช่วยลุ้นเสื้อตัวโกงไอ้ที่ถามตะกี้นะ่ะรู้ฝวาหมายดีอยู่แล้วว่าจะถามอะไรชี้ชี้ เลี้ยวรดกลบเกลือ่อนอีแบบนี้คราวหลังอย่ามาหาหรืออะไรนาะไม่รับปรึกษาด้วยหรอกอีกฝ่ายหนึ่งยิ้มจิดจืดก็ลุงคำจะถามอะไรอย่างไหนล่ะได้กระชึกกระชักมั่งหรื อ, อยังสี่ซ้าห้าคืนมานี่เห็นนอนติดๆดใกล้ๆกันอยู่ตลอดเวลาไม่ใช่เหรอโทษลุงเอาอะไรที่ไหนมากระชึกกระชักเหนื่อยกันแทบรากเลือดโอกาสก็ไม่มีเลยถึงจะใกล้ชิดกันตลอดเวลาก็เถอะ อีกอย่างหนึ่งถึงจะดูภายนอกว่าเราจะใกล้ชิดสนิทสนมกันสักเพียงไหนแมมคริสเขาก็ไม่มีใจอะไรกับฉันเลยโน่นผ่าไปส่งสายตาปลอยปลอยอยู่กับเจ้านายของบุญคำโน่นกระซิบพรางเช่อบุตรก็จุปากแล้วโคลงหัวช้าชาตาคำหันมามองหน้านิดหนึ่งยังยิ้มอวดเหงือคล้ำๆอยู่เช่นนั้นใจเยืใจเยือนายทหารหมั่นตื้อเอาไว้เหอะ ผู้หญิงทุกชาติทุกภาษามันตายลูกตื้อเท่านั้นแหละก็บุญคำเห็นหิว้วเห็นกอดเห็นอุ้มเห็นฉุดกันอยู่ตลอดเวลาตอนเดินมาด้วยกันนะ่ะนายของบุญคำไม่ได้ไปยุ่งอะไรด้วยเลยมีแต่เดินทงทงไปข้างหน้าคนเดียวตลอดการแล้วอีกอย่างหนึง่งนายของบุญคำก็ไม่ใช่คู่แข่งของนายทหารสักหน่อยถ้าไอ้ยักษ์คีนันก็เป็นอีกเรื่องหนึง่ง ต่บุญคำเห็นแห ม, ม่ท่าทางจะชอบนายทหารวุฒมากกว่าเป็นต่อหลายขุม่มเวลานอนใกล้ๆกันไม่ได้ทํามือผีอย่างที่บุญคําสอนไว้มั่งหรือว่าแล้วแกก็ทํามือหงิกๆิกในท่าล้วงขยุ่มให้ดูก็เคยทํามั่งเหมือนกันแหละมันต้องเป็นอย่างงาั้นแล้วเป็นยังไงมั่งก็ถูกถีบน่าสิหรือไม่งั้นก็อัดมาด้วยเขา่าเล่นเอาจุกหน้าเขียวมาหลายทีแล้ว บุญคำร้องล่านออกมาอย่างกับม้ด้วยความขัดใจเอาละลุงอย่าเพิ่งถามเรื่องนี้ไปเลยฉันถามลุงดีกว่าพราเชิดวุฒิก็แงนหน้ามองขึ้นไปยังขอบเนินสูงและขนเข่ารอบด้านที่แวดล้อมอยู่รอบด้านในขณะนี้กล่าวต่อมาว่าก่อนที่เราจะลงมาในทุ่งหญ้าที่ราบต่ำนี้ตอนที่เรายืนดูกันอยู่บนหน้าผาสูงมองลงมาเห็นเป็นรูปผู้หญิงนอนอยู่นั่นน่ะ เรายืนกันอยู่หน้าผาตอนไหนนะฉันจำไม่ได้แล้วแต่ถ้าบุญคำบุ้ยปากขึ้นไปทางขอบเนินสูงฝั่งขวามือโน้นเรานอนดูวิวกันอยู่บนเนินตรงโน้นแหละต้องมองลงมาจากที่สูงถึงจะเห็นได้อย่างที่เราเห็นกันบุญคำก็นึกไม่ถึงว่าวันนี้ จ, จู่ๆนายก็นำตัดทางพรวดออกมาโผล่ตรงนั้นพอดีมันเร็วกว่าที่คิดไวมาก ครั้งก่อนนี้เรามาถึงบริเวณที่ราบต่ำในหุบนี่ก่อนแล้วไต่ทางขึ้นไปดูลักษณะบนที่สูงที่หลังจึงมองเห็นได้แต่คราวนี้นายผ่าตัดทางมาบนขอบเนินด้านบนนั่นเลยแล้วแกงก็ทำหน้าขึงขังตื่นเต้นคราวนี้เรามาถึงไหวมากนะนายทหารแล้วก็สะดวกสบายกว่าคราวก่อนนั่นมากคราวก่อนเรามากันตอนหน้าหนาวหิมะมันคลุมไปหมดแล้วก็ตกพรมทั้งวัน เกือบตายกันทั้งหมดเพราะความหนาวดีแต่เทาบุญคํามียากินแก้หนาวตำรับโบราณที่พ่อครูอาจารย์สอนไว้ให้เอามาแจกกันกินตอนเดินลุยหิมะไม่งั้นก็คงตายกันทั้งหมดแถวบริเวณนี้แหละคราวนี้เรามาถึงในหน้าร้อนอากาศมันก็พอข้อ ย, ยังชั่วกว่าคราวนั้นแล้วนี่พานใหญ่ก็สั่งให้ลุงคานาลงไปที่จุดไหน เชิดวุฒิถามพยายามกวากสายตามองตรวจไปยังภูมิประเทศด้านหน้าที่กําลังเดินกันไปแต่คําหัวเราะคิกคิกขึ้นอีกนายทหารสังเกตเห็นอะไรมั่งไหมนี่สังเกตอะไรเรากําลังเดินลงไปในระหว่างซอกหรือร่องที่มีเนินปลายด้านล่างแหลมสองเนินมาประกบชิดกันอยู่นาะมันเป็นรอยผากลางต่ํากว่าบริเวณพื้นที่โคกสูงของเนินพระจันทร์ เชิวุธิทำหน้าง ง, งขมวดคิ้วคิดอยู่อึดใจก็ลืมตาโพรงฮะ ห, หมายความว่าเรากำลังเดินไตลงมาตามใช่แล้วที่อันเป็นตำแหน่งมหามงคลมีโชคมีชัยที่สุดประเดี๋ยวนายทหารจะเห็นชะ ง, ง่อนหินผล่ล้ำเป็นจะ ง, งอยขึ้นมาใต้ชะ ง, ง่อนหินเป็นฐานน้ำใส พรานใหญ่ต้องการให้เราไปพักกันอยู่ใต้เชงอ่อนหินเหนือทานน้ำนั้นเพราะมันเป็นที่เหมาะมากที่สุดในบริเวณนี้ทั้งหมดครั้งก่อนพวกเราก็มาพักกันอยู่ตรงนั้นแหละร่องรอยคงยังต้องเหลืออยู่เพราะมันเพิ่งจะปีกว่ามานี่เองเดี๋ยวก็คงได้เห็นเชิญวุฒิธรรมหน้าพิพักข์พิภูนชอบโกนพยายามมองค้นหาความจริงบนหน้าของบุญคา แต่ก็ไม่เห็นวิแววว่าแกจะพูดโกหกหมดเท็จอะไรซ้ำยังมองสบตาเขาพยักหน้างึกๆึกเป็นเชิงย้ำคำพูดของแกอีกด้วยลุงคําทำไมมันถึงพิกลอย่างนั้นล่ะมากับนายรพินหรือมากับพวกของบุญคํามันก็มีอะไรพิลึกพิลึกอย่างนี้สเสมอแหละทุกอย่างมันพิลึกไปหมดทั้งนั้นสุดแต่พิลึกมากพิลึกน้อยฮ่าแล้วนี่พรานใหญ่เขารู้ตัวหรือเปล่า หรือว่าลุงคำรู้เองคิดเอาเองทำไมแกจะไม่รู้บุญคำพองคอทำตาโตแกรู้ทั้งนั้นแหละเว้นแต่จะไม่พูดเท่านั้นภูมิประเทศบังคับจริงๆนายทหารไม่มีที่ไหนจะเหมาะสำหรับการวางปางพักมากไปกว่าตำแหน่งนั้นอีกแล้วเหตุการณ์มันบีบบังคับเหมือนพระอุมาท่านจะกําหนดไว้โดยตรงว่าถ้าพวกเองต้องการจะมาให้ถึงที่นี่ และต้องการจะขึ้นไปจนให้ถึงถนนพระเสวะพวกเองก็ต้องมาพักอยู่ภายใต้บารมีของข้าสิก่อนที่นั่นสบายมากเดี๋ยวก็ถึงแล้วนนไงมองเห็นสวนบนของชะง่อนหินโผลมานั่นแล้วไม่ต้องกลัวซวยมีแต่ความเป็นมงคลโชคดีแล้วแกก็ชี้มือให้ดูในบริเวณที่ลุ่ม อันลาดต่ำลงไปเบื้องหน้าซึ่งมองเห็นชะ ง, ง่อนหินโผล่แผ่มขึ้นมาในลักษณะสันฐานที่ประหลาดแต่ความกว้างใหญ่ของสถานที่ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับร่างกายกระจจอยร้อยประดุดมดปลวกของกลุ่ ม, มนุษย์ที่พากันเดินไต่าทางลงไปก็เลยทำให้ไม่สามารถจะกำหนดรูปร่างของภูมิประเทศได้ชัดนักซึ่งตาเท่าก็ยังบอกต่อมาว่า ถ้าอยากจะดูให้เห็นชัดว่าขณะนี้เรากําลังเดินอยู่ตรงไหนจะบ่ายหน้าไปยังส่วนใดของร่างกายผู้หญิงที่นอนขวางอยู่ก็ต้องกลับขึ้นมองดูลงจากหน้าผาสูงที่เราดูกันอยู่เมื่อตอนบ่ายนี้แหละและทั้งหมดก็เคลื่อนลงมาถึงตำแหน่งชัยภูมิอันรพินกำหนดหมายไว้ให้เป็นที่พักซึ่งเป็นบริเวณที่เหมาะสมสะดวกสบายที่สุด ของพื้นที่ทั้งหมดในพื้นที่ลุ่มระหว่างหุบเขาล้อมรอบแห่งนี้และมันก็เป็นตำแหน่งเดียวกับที่เขาได้นำคณะของเชษฐามาพมนักเมื่อครั้งก่อนนั่นเองร่องรอยของการมาค้างแรมเมื่อปีเศษที่ผ่านมายังปรากฏให้เห็นชัดโดยเฉพาะอย่างยิ่งเศษของกองฟืนที่ก่อไว้ซึ่งเขาชี้ให้คณะนายจ้างดูทุกคนตรวจสถานที่อย่างตื่นเต้นสนใจโดยเฉพาะเกิดเสยและจัน แสดงความดีอกดีใจเป็นพิเศษเมื่อได้มีโอกาสกลับมาเห็นตำแหน่งภาคพิงเก่าก่อนที่จะไต่ขึ้นสู่เทือกพระศิวะในครั้งนั้นบรรยากาศของคนฝ่ายระพินทุกคนเต็มไปด้วยความปราโมดปีติปราปลืม้มเหลือที่จะกล่าวไม่คิดเลยจริงๆพาวะว่าจะได้กลับมาเห็นที่นี่อีกจันพูดกับเกิดและเสยขณะที่เข้าไปรื้อดูกองฟืนเก่าๆและเศษกระดูกกวาง กองไว้ท่อนใหญ่ๆบางส่วนที่ยังเหลืออยู่ตำแหน่งนั้นเคยรื่นรมสันติสุขและงดงามไปด้วยธรรมชาติเช่นไรก็คงอยู่ในลนักษณะเช่นนั้นไม่ได้เปลี่ยนแปลงเพียงแต่ว่ากิ่งใบของวัชพืชพันไม้ดอกเล็กๆและต้นโปรงโบราณอาจมีขนาดที่เปลี่ยนแปลงไปกว่าเดิมบ้างเล็กน้อยเท่านั้นรับพินสั่งปรงของและจัดการวางปางพักลงตำแหน่งนั้นทันที เมื่อแสงแห่งทิวาการเริ่มโรยหลีลงตามลำดับมันนับว่าเป็นปรากฏการณ์มหัศจรรย์มากที่เขาสามารถนำคณะนายจ้างลงมาถึงยังตำแหน่งอันกำหนดไว้เป็นที่พำนักนี้ได้ภายในวันนี้ก่อนแสงสว่างเวลากลางวันจะสิ้นสุดลงระหว่างที่ทุกคนของฝ่ายนายจ้างลงนั่งพักอยู่ริมสายทาน้าสายเล็กๆที่ไหลรินออกมาจากซอกโขดหินนั้นเขาก็เข้ามาบอกว่า ขอให้ทุกคนพักผ่อนกันให้สบายได้แล้วครับไม่มีอะไรที่จะต้องเร่งร้อนแล้วและคืนนี้เป็นคืนแรมสีค่ำพอพระจันทร์ขึ้นผมจะพาทุกคนกลับขึ้นไปดูภูมิประเทศบนบริเวณเนินพระจันทร์ข้างบนอีกครั้งมีเรื่องที่เราจะต้องปรึกษาหารือกันอีกบ้างเล็กน้อยธรรมชาติที่นี่ ในกลางคืนตอนพระจันทร์ทอแสงสว่างจะสวยงามราวกับอุทยานสวรรค์ชนิดที่ไม่มีแห่งใดที่ไหนในโลกเหมือนทีเดียวขอบคุณมากแปลว่าเราเข้าถึงที่หมายตรงตามกำหนดเวลาและเป้าที่คุณตั้งไว้ทุกอย่างเลยใช่ไหมระพินอเมริกันอาวุโสอันเป็นหัวหน้าคณะถามมาอย่างแช่มชื่นขณะที่ทอดประกายตาแจ่มายไปยังจอมมักคุเทสผู้ยิ่งยง มีปาฏิหาริย์อะไรบางอย่างเข้ามาช่วยเราด้วยครับโดยการหยุดเวลาให้ชั่วขณะในระหว่างที่เราเดินลงมาจากผาสูงนั่นทําให้เราได้เปรียบในการย่นระยะเวลาเข้ามาอีกครั้งแรกผมคิดว่าเราอาจต้องใช้เวลาเดินทางจนถึงกลางคืนเสียอีกกว่าจะลงมาถึงที่นี่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ของสถานที่นี้ดูเหมือนจะเป็นใจเปิดทางให้แก่เราโดยตรงเอาละครับพักผ่อนกันให้เต็มที่คริส เบลประโยคหลังเขาหันไปทางสองแมมสาวซึ่งกำลังกวาดสายตาชื่นชมอยู่กับธรรมชาติแวดล้อมรอบตัวเมื่อถูกเอ่ยเรียกชื่อทั้งสองหันมาทางเขาก็เห็นรอยยิ้มอย่างปราณีคุณสองคนไม่ได้พบกับน้ำมาสามวันเต็มแล้วก่อนที่แสงสว่างจะสิ้นไปถ้าอยากจะอาบน้ำก็เชิญได้เลยอ้อสำหรับค่ำวันนี้พวกเราทั้งหมดก็คงจะต้อง พึ่งอาหารไม่สำเร็จรูปของพวกคุณปทะประทางไปก่อนแต่ภายในคืนนี้หรืออย่างช้าพรุ่งนี้ผมรับรองว่าจะหาอาหารสดให้ที่นี่อุดมสมบูรณ์มากทั้งสองสาวยิ้มให้แ ก, กกันพึมพำขอบคุณเบาๆคิดร้องถามมาว่าแล้วนั่นดูถ้าเหมือนกับว่านายกำลังจะไปไหนสักแห่งหนึ่งงั้นแหละทำไมไม่นั่งลงรับพินจอมพรานโบกมือให้ ขอเวลาสักสิบนาทีเถิดจะออกไปสำรวจอะไรข้างล่างของสายทานเส้นนี้หน่อยไม่ต้องกังวลไปหรอกที่นี่ไม่มีอันตรายอะไรที่จะต้องคอยระวังมากเพียงแต่ว่าอย่าถึงกับช้าลใจประมาทนักก็แล้วกันเดี๋ยวมารับรองว่าก่อนมืดสนิทแล้วเขากวักมือเรียกบุญคำ แล้วผ่านกันเดินลงไปตามเส้นทางน้ำไหลนั้นก่อนจะลับไปตามแง่โขดหินและหมู่ปามปรงเล็กๆที่ขึ้นเรงรายอยู่เรากับมือนักจัดสวนย่อมอาชีพมาประดับไว้พผางก็ร้องสั่งกลุ่มของจันให้เก็บเอาเศษไม้ของต้นสนภูเขาซึ่งหาได้อย่างอุดมสมบูรณ์ในแถบนั้นมาก่อเป็นกองไฟขึ้น ขณะนั้นเชิดวุธททำท่าจะขยับตัวมีอาการเหมือนอยากจะตามพรานใหญ่ลงไปด้วยแต่เบลและคริสติน่าฉุดมือไว้ปล่อยเข้าไปําลลำพังเถะวุธคุณอยู่กับพวกเราที่นี่แหละเมื่อนั้นเชิดวุธจึงชะ ง, งักมีท่ากระสับกระสายเล็กน้อยบ่นว่าไม่รู้ว่าบริเวณนี้วิทยุมือถือของพวกเราใช้ได้หรือเปล่าและก็ไม่รู้ว่าระพินเปิดเครื่องสแตนบายไว้หรือเปล่าจะได้เรียกหาติดต่อกันได้ อย่าวุ่นวายไปหน่อยเลยหนะ้าเขาคงไม่ไปไกลนักหรอกอาจไปตรวจดูอะไรบางสิ่งบางอย่างในฐานะที่เขาเคยผ่านมาแล้วครั้งก่อนเขาก็เป็นอย่างนี้ทุกครั้งแหละวางแคมป์ที่ไหนเมื่อไหร่ก็ต้องออกสำรวจพื้นที่ ร, บรอบๆทุกครั้งไปตามธรรมชาตินิสัยของเขาซึ่งเป็นหน้าที่ประจําของเขาอยู่แล้วฉันกับเบลกําลังอยากจะอาบน้ําแทนที่คุณจะเดินตามเข้าไปมาทําหน้าที่คอยเป็นเพื่อนเราสองคนในเวลาอาบน้ําดีกว่า อาจารย์กับคีตลงไปนอนแผ่อยู่นั่นแล้วคงจะเพลียเต็มที่นอกจากพวกลูกหาบและพรานของรพินแล้วก็เห็นมีแต่คุณ น, นั่นแหละที่ยังสดชื่นแข็งแรงดีอยู่คริสบอกมารพิน์จับแขนบุญคำเดินห่างบริเวณที่พักออกมาพอรับตาพวกนั้นบุญคำก็ถามว่านี่นายจะหี้บุญคำไปไหนอีก เขายังไม่หยุดเดินแต่ลากแขนของบุญคําบายหน้าตามกระแสานาำที่ไหลรีกๆนั้นก้าวบสวบๆลงไปยังบริเวณพุ่มพงเล็กๆเบื้อง ล, ล, ล่างบุญคําลืมอะไรไปเสียอย่างหนึ่งแล้วหรือเมื่อเรามาถึงที่นี่ลืมลืมอะไรล่ะนายแกทําหน้าตื่นสมัยก่อนที่เรามาพักกันอยู่ที่นี่พอเวลาตะวันตกดินไปแล้วมันเกิดอะไรขึ้น สาเหตุมันก็มาจากแงซทรายมันลองของบุญคำนั่นแหละบุญคำตบหน้าผากผางนึกขึ้นมาได้โอ้ยดงว่านผีปอบมันมีอยู่ดงหนึ่งต่ำลงไปข้างล่างโน้นบุญคำเป็นคนไปจัดการสะกดมันไว้เองไม่ให้มันออกมาเพ่นพ่านรบกวนเราแต่ก็ไม่ก่อนที่มันจะแห่กันมาทำความขวัญห น, นีดีฟอให้นายหญิงก็นายใหญ่นั่นแหละ มันมีความจำไว้ซิบ้างอย่าเอาแต่สับ ป, ปะดิสับ ป, ปะดนขนองนักฉันต้องการให้คืนนี้เป็นคืนที่สงบสุขที่สุดของพวกเราทุกคนบุญคำมากับฉันไปจัดการอย่าให้มันโผล่ออกมาอารวาดได้แล้วค่อยกลับขึ้นมาล้อมปริมนทนที่ภาคของเราไว้ทีหลังระยะห่างกันปีกว่าไม่รู้ว่าพวกมันเฉาตายกันไปหมดแล้วหรือว่าขยายด ง, งงอกงามออกไปอีกก็ไม่รู้ เราจะไปสำรวจดูมันแล้วจัดการเสียให้เรียบร้อยอย่าให้อะไรมันมาแพร่พานรบกวนได้เลยในคืนนี้หรือตลอดระยะเวลาที่เรายังตั้งหลักกันอยู่ที่นี่สมุนมือขวาคู่ชีพของเขาถูมือเข้าหากันแยกเขี้ยวนายรอบครอบดีเหลือเกินให้ตายเหอะบุญคำลืมเสีย อ, อย่างสนิทหมแต่ดีใจที่มาถึงที่นี่มาเดี๋ยวบุญคาจัดการเองนายมาด้วยก็ดีแล้วจะได้ช่วยบุญคาทาพิธี รบพินและบุญคำผราลงมาจากที่พักได้ประมาณสัก20นาทีความมืดโรยตัวเป็นม่านลงมาปกคลุมบริเวณที่พักเพิ่มขึ้นทุกขณะระหว่างที่ทุกคนบนแคมป์กำลังอยู่ในสภาพพักผ่อนผิงไฟกันอยู่ก็พากันสะดุ้งขึ้นพร้อมๆกันอย่างตกใจเสีงยงไรเฟิรนนัดหนึ่งระเบิดกึกก้องสะเทินมาในบรรยากาศอันเงียบสงบมันดังสะท้อนกระหึ่มไปทั่วภายในบริเวณอันเป็นหุบเขาวกว้างใหญ่แห่งเนินพระจันทร์ ทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นฝ่ายนายจ้างหรือพวกลูกหาบตลอดจนพรานพื้นเมืองที่เหลืออยู่ในแคมป์เพ่นพูดขึ้นมายืนเรากับนัดกันไว้คริสและอิซาเบลซึ่งกำลังบังมุมเหลี่ยมหินพลัดเปลี่ยนเครื่องแต่งตัวภายหลังชำระร้างสะสางร่างกายเสร็จชงงะงักกึกไปอย่างกระทันหันเกิดอะไรขึ้นสองสาวร้องออกมาพร้อมกันพร้อมกับทันวิ่งพูดพร่านออกมาจากซอกโขดหิน ขณะที่รูดซิบเสื้อแจ็คเก็ตอย่างรีบด่วนเสียงปืนดังขึ้นเพียงนัดเดียวแล้วก็สงบนิ่งเป็นปัญหาไปอึดใจใหญ่เกิดเสยและจัน์เงี่ยหูคอยจับสัาสําเนียงอื่นใดที่จะแววมาให้ได้ยินอีกแต่ก็เงียบเชียบอยู่ตามเดิมทั้งสามพรานของรพินคงยืนสงบนิ่งอยู่ในอาการปกติเช่นนั้นดูไม่มีท่าทีสะดุ้งตกใจหรือเกิดอาการเดือดเนื้อร้อนใจอะไรทั้งสิ้น และก่อนที่สแตนลีย์คีดรูชเชิร์ดวุฒจะเอ่ยถามคําใดออกมาต่อไปนั่นเองวิทยุประจําตัวของแต่ละคนที่เปิดสวิตตเตรียมพร้อมไว้ก่อนแล้วนับตั้งแต่รพินก้าวออกจากแคมป์ลงไปก็ปรากฏเสียงเรียบเรียบของจอมพรานดังออกมาว่าเปิดวิทยุสแตนบายกันไว้บ้างหรือเปล่าครับใครได้ยินตอบด้วยเราได้ยินเสียงปืนมีอะไรหรือรพินสแตนลีย์ Stanley, รีบยกวิทยุขึ้นตอบไปโดยเร็ว บังคับเสียงให้เป็นปกติเช่นกันเพราะประโยคแรกที่เรพินถามมานั้นมันเป็นเสียงพูดอย่างธรรมดาที่สุดอันไม่น่าจะแสดงว่ามีเหตุฉุกเฉินอะไรเกิดขึ้นเลยเราไม่ต้องพึ่งอาหารสําเร็จรูปของพวกคุณแล้วครับบุญคํายิงกวางได้ตัวหนึ่งพอจะเป็นเสเปียงให้พวกเราจนถึงเวลาที่จะไต่ทางขึ้นเทือกพระเสวะทีเดียวโล่งอกไปทีเชิญวูดคิดเบลและคริส พากาันถอนใจยาวออกมาได้เสียงเรียบยบของระพินดังขึ้นมาอีกคราวนี้เขาขอพูดกับสมุนซ้ายของเขาคือจันสแตนลีย์ส่งวุทิยุค ข, ของตนไปให้บอกว่าเอ้าจันพรานใหญ่ต้องการพูดด้วยจันรับมากดคีย์ครับนาย จันเอาพวกลูกหาบมาด้วยสัก3ามคนมาช่วยกันถลกหนังแล่เนื้อบอกให้เสยกับเกิดแล้วก็พวกที่เหลือก่อไฟร้านย่างเนื้อเดี๋ยวนี้ลงมาได้เลยเดี๋ยวนี้ไม่ใครจากที่พักตรงนั้นหรอกไปลงมาตามสายทานเล็กๆสักร้อยห้าสิเมตรแล้วแยกขึ้นเนินมาทางด้านซ้ายมือฉันกับบุญคำรอยอยู่ที่นี่คอยสังเกตไฟฉายก็แล้วกันสมุนท้ายของเขารับคาแล้วหันไปบงการโวกเวกกับเกิดและเสย จากนั้นก็เกณฑ์เอาพวกลูกหาบกัมยำได้สามคนพร้อมคานหาบและมีดแกลพากันเดินลงไปตามเส้นทาง น, น้ำไหลทันทีอย่างไม่รอช้าในขณะที่เกิดและเสยพร้อมทั้งพวกที่เหลือก็ขยายกองไฟขึ้นเพื่อเตรียมไฟย่างทุกคนเต็มไปด้วยความยินดีปรีดาที่จะได้กินอาหารจากเนื้อสดซึ่งขาดกันมาหลายวันแล้วตลอดระยะที่เดินกันมาอย่างรีบรุษ และไม่พบสัตว์ชนิดใดที่จะเหมาะสมเป็นอาหารได้เลยตั้งแต่เฉดผ่านทิวปีครุดมาจัน์กับพวกลูกหาบอีกสามคนกำลังลงไปแล้วนารพินว่าแต่คุณเถอะจะกลับขึ้นมาเมื่อไรหรือว่าจะรอกลับมาพร้อมพวกนี้เลยสเตลลี่วิทยุถามลงไปอีกซึ่งก็ได้รับคำตอบขึ้นมาว่าผมจะรอคอยให้พวกนี้ลงมาถึงเสียก่อนและจะกลับขึ้นไปเลยทิ้งหน้าที่ให้พวกนี้จัดการ จะไม่เสียเวลาอะไรหรอกครับไม่เกินครึ่งชั่วโมงเนื้อส่วนที่ดีที่สุดจะถูกลำเลียงขึ้นไปอยู่บนร้านย่างบนแคมป์ของเราเดี๋ยวพบกันไม่ต้องกงังวลดีมากกลับขึ้นมาเร็วๆนะพ่อทูนหัวเสียงคีตพูดแทรกลงไปอย่างอารมณ์ดีแล้วสแตนลีย์ก็ถามอีกว่าคุณอยู่ห่างจากที่นี่ประมาณสักเท่าไหร่ขณะนี้ถ้าขีดเป็นเส้นตรงก็คงไม่เกินร้อยี่สิบเมตรเอ้ย โทษทีบางทีพวกคุณอาจไม่สันทัดในมาตราเมตริกที่พวกผมนิยมพูดกันถ้าจะวัดเป็นหลาก็ประมาณร4อยส0ถึงห้าลาเท่านั้นใกล้ๆแค่นี้เองฟังจากเสียงปืนก็คิดว่าคุณจะอยู่ใกล้ๆแค่นี้นั่นแหละวิทยุที่คุณเรียกขึ้นมาฟังชัดเจนแจ่มใสาดีมากคุณรับฟังเราเป็นยังไงบ้างก็ชัดเจนเช่นเดียวกันครับ ก็แปลว่าวิทยุมือถือของเราติดต่อกันได้ดีในหุบเนินพระจันนีรีบขึ้นมารับพินทางด้านนี้มีร้านย่างเอาไว้แล้วเสียงพรานใหญ่รับคำแล้วก็ตัดการติดต่อเงียบไปนึกว่าสองคนนั่นจะลงไปไหนที่แท้ก็ลงไปหาสัตว์นั่นเองคริสเปรยขึ้นเบาๆแล้วสองคนกับเบลก็มานั่งสางผมผิงไออุ่นของไฟรวมกับพักพวก จันกับพวกลูกหาบสามคนหายลงไปได้ไม่นานร่างเป็นเงาตะคุ่มของรพินก็เดินสวนกลับขึ้นมาเขาทิ้งบุญคําให้อยู่จัดการกับกวางร่วมกับพวกที่ลงไปสมทบด้วยโดยย้อนกลับขึ้นมาตามลําพังคนเดียวก่อนเพื่อให้พวกนั้นหมดความกังวลและนั่นก็หมายถึงว่าทั้งเขาและบุญคําได้ลอบไปดําเนินการกับดงว่านผีปอบเสร็จเรียบร้อยแล้วรวมทั้งยังมีเวลาเหลือเฟือที่บุญคํา จะเลือกหากวางตัวงามๆตัวหนึ่งจากฝูงที่มีอยู่อย่างอุดมสมบูรณ์บนทุง่งหญ้าเหนือดงว่านขึ้นไปโดยยิงล้มไว้หนึ่งตัวเพื่อใช้ประทังชีพซึ่งมันย่อมดีกว่าอาหารเม็ดสำเร็จรูปของฝ่ายนายจ้างมากมายนักอากาศเริ่มเย็นลงอย่างหวบห้าบรวดเร็วจนกลายเป็นหนาวจัดเพียงแรกเริ่มของราตรีที่เข้ามาเยือน ขณะที่ทุกคนนั่งรายล้อมผิงไฟอยู่ยังมีอาการคางสั่นกระทบเมื่อเข้ามาถึงกลุ่มจอมพ ร, รานเดินเข้าไปรื้อแจ็กเก็ตกันหนาวตัวเก่าคร่ำคร่ า, ข, าของเขาที่กองสัมภาระส่วนตัวออกมาสวมแล้วเข้ามานั่งร่วมผิงไฟอยู่ด้วยโดยนั่งแทรกกลางระหว่างเชิดวุฒิและคีดไม่มีใครแสดงอาการสงสัยหรือสอบซักถามเขาว่าเขากับลุงคำไปที่ไหนเพื่ออะไรอันเป็นวัตถุประสงค์แท้จริง ต่างเข้าใจกันว่าเขาลงไปหาสเสบียงตามที่วิทยุรายงานขึ้นมาซึ่งเท่ากับเป็นการตัดปัญหาไปคำพูดของนายศักดิ์สิทธิ์เสมอนารพิน์บอกอยู่เมื่อตอนเย็นหยกๆกนี่เองว่าคืนนี้หรือพรุ่งนี้นายจะหาอาหารสดให้พวกเราห่างกันแค่ไม่กี่นาทีนายก็จัดการได้แล้วคีตบอกมาอย่างชื่นชมสรรเสริญก็บอกแล้วว่าแถวนี้สัตว์ชุมพอจะหาได้ไม่ยากนัก มันเป็นภูมิประเทศที่ฉันเคยผ่านมาก่อนก็เลยรับรองให้ได้มันไม่เกี่ยวกับคำพูดศักดิ์สิทธิ์อะไรหรอกสัตว์มันก็เชื่องเพราะไม่เคยเห็นคนมาก่อนเลยบุญคำยิงในระยะห่างแค่50สบหลาเท่านั้นพวกมันยืนให้เลือกยิงเอาได้ตามใจชอบใจจริงแล้วฉันก็ไม่อยากให้พวกเรายิงสัตว์อะไรทั้งนั้นในเส้นทางเดินระยะนี้แต่เมื่อมันจาเป็นเพื่อการประทังชีพก็ไม่รู้จะทำยังไงได้ ตอนได้ยินเสียงปืนตูมขึ้นครั้งแรกพวกเราตกใจกันแทบแย่เบลว่านึกว่าคุณกับบุญคำเจอดีอะไรเข้าให้แล้วแต่พอกลั้นใจฟังเสียงต่อไปได้ยินเสียงเพียงนัดเดียวแล้วเว้นช่วงไปโดยไม่มีการยิงซ้ำอีกก็ค่อยปร่งใจหน่อยซึ่งมันก็พอดีกับที่คุณวิทยุบอกขึ้นมา นั่นมันก็แปลว่าพวกคุณทุกคนเริ่มคุ้นเคยและมีความชำนาญมากแล้วในการที่จะวินิจฉัยได้เช่นนั้นการเดินป่าถ้าหากผมหรือคนของผมแยกทางไปแล้วคุณได้ยินเสียงปืนลั่นเพียงนัดเดียวโดยไม่มีการยิงซ้ำหรือยิงติดต่อกันหลายนัดก็ไม่ต้องตกใจอะไรมันแปลว่าไม่ได้เกิดอันตรายร้ายแรงใดๆขึ้นทั้งสิ้นเป็นการยิงเพื่อล้มสัตว์เท่านั้นเองแล้วรพินก็เว้นระยะ หัวเราออกมาเบาเนิดหนึ่งต่อมาว่าแต่ก็อย่าเพึ่งถือเป็นกดตายตัวนักนัดเดียวที่ยิงออกไปอาจเป็นนัดเดียวและนัดสุดท้ายของคนยิงก็ได้เพราะหมดโอกาสยิงซ้ําแต่แหลกเหลวไปแล้วเพราะสัตว์มันชารจ ส, สวนควันเข้ามาก่อนซ้ํานัดสองทันครูถ่อมตัวเป็นเหมือนกันหรือคริสถามเรียบๆข้ามกองไฟมาเพราะหล่อนกับเบลนั่งอยู่ฝั่งตรงข้าม หมายความว่ายังไงที่ว่าถ่มตัวถ้าเป็นพวกฉันหรือพรานคนอื่นๆก็อาจเป็นไปได้เหมือนกันในข้อที่ว่ายิงนัดเดียวแล้วก็ถูกสวดร้ายมันชาติเอาถึงตายไปเลยแต่ถ้าเป็นครูมันไม่มีวันเป็นไปได้หรอกฉันเคยเห็นครูยิงอะไรก็ตามแต่ละตัวนัดเดียวอยู่กับที่ทุกครั้งไปหรือมิฉะนั้นก็เป็นนัดที่สองขณะที่มันสวนชาตเข้ามาไม่เคยเห็นยิงมากไปกว่านั้น เป็นการดีมากที่คุณมีความเชื่อมั่นถึงขนาดนั้นแต่จำไว้หมองูตายเพราะงูพรานป่าก็ต้องตายเพราะสัตว์ป่าถ้าเขายังไม่เลิอกอาชีพพรานเสียแต่เนิ่นๆแต่พรานผู้มีสัจจากอย่างครูไม่มีวันที่ภายใดๆจากป่าจะมาเป็นอันตรายได้หรอกฉันแน่ใจแม่ผมทองเน้นเสียงส่งสายตาสีฟ้าเป็นประกายแห่งความหมายเล่นลึกข้ามกองไฟมายังเขา ระพินมองศพและชะงักไปนิดหนึ่งต่อมาเขาก็ยากไหลยิ้มขรึมๆจับอยู่บนริมฝีปากที่เขียวคลึ่ไปด้วยหนวดเคราวอันไม่ได้พบกับมีดโกนมาหลายวันคนที่ยึดมั่นอยู่ในสัจจะสำหรับโลกยุคนี้มันก็คือคนโง่คนเซอร์อย่างน่าทุเรศที่สุดใช่ไหมคริสไม่ตอบมองตาเขาเฉยแต่เบลชงกหน้ามาบอกยิ้มๆว่าใช่ทั้งโง่ทั้งเซอ ทั้งหน้าทุเรศยังหาที่ติไม่ได้เลยรพินไพรวันก้มศรีรษะให้อย่างสงบขอบคุณผมรู้สึกเป็นเกียรติที่ได้รับคำสรรเสริญเช่นนี้ระหว่างที่พวกผู้ชายคือสแตนลี่คิดและเชลด์วุดเริ่มรู้สึกอึดอัดไม่สู้จะสบายใจนักเพราะคำพูดแบบแรงๆของอิสซาเบลแม่ผมแดงยิ้มไพรเอื้อมมือข้ามกองไฟมาเขตยที่ปลายคางเขา ระพินเบนหน้าหลบไปได้อย่างนุ่มนวลลอนบอกปนหัวร้อว่าสเสน่ห์อันเร่นรับของคุณมันก็อยู่ตรงนี้แหละไพยวันคือโง่เซอร์อย่างมีชั้นเชิงและลึกลำ้ำถูกต้องมันเป็นความโง่เซอร์ที่คุณจะต้องรู้สึกเป็นเกียตรติและภูมิใจยอย่างยิ่งเพราะหาได้ยากยิ่งในมนุษย์บุรุษชายสามันทั้งหลายเรามาคุยกันเล่นๆ น, นะ ไหนๆเราก็เป็นเพื่อนร่วมตายกันมาถึงเพียงนี้แล้วถ้าหมดภารกิจกลับไปถึงบ้านได้คุณจะหันเหไปประกอบอาชีพอะไรคิดจุ ป, ปากเบาๆแล้วขัดขึ้นว่าเบลเธอไม่น่าจะไปละลาบละล้วงถึงชีวิตส่วนตัวของเขาเลิกพูดอะไรที่มันจะก่อให้เกิดความหงุดหงิดสำหรับเขาเสีทีเถอะด็อกเตอร์สตนลีย์เสิรมาอีกคนด้วยเสียงคุนๆรพินยิ้มมุมปากโบกมือ ไม่เป็นไรคิดดร์สแตนลีย์คืนนี้ผมมีอารมณ์ปลอดโปร่งเป็นพิเศษและไม่ได้มีความหงุดหงิดอะไรเลยทั้งสิ้นเบลเองก็เป็นคนตรงไปตรงมาและถือเสมือนว่าผมคือเพื่อนของเบลคนหนึ่งผมเองนั้นแต่ไหนแต่ไรมาก็เอาแต่อารมณ์เสียเกลี้ยกราดเหมือนไอ้บ้ามาตลอดผมอยากที่จะเปลี่ยนบุคลิกท่าทีอันเ็วๆของผมออกไปบ้างเหมือนกันเบลตบมือร้องว่า ดีจริงนี่คุณก็อุตส่าห์รู้ตัวเองอยู่เหมือนกันหรือเปลี่ยนท่าทีเดิมๆของคุณได้เสียทีแล้วไอชนิดที่หน้าแข็งกระด้างเป็นหินบนหลุมฝังศพหรืออาคารแยกคิ้วเข้าใส่พวกเรานะ่ะเห็นแล้วจะหัวใจวายตายจิตใจแท้จริงของคุณนะพวกเราทุกคนรู้ว่าเต็มไปด้วยความเป็นมิตรเมตตาอารีและกรุณาแต่ลักษณะาภายนอกของคุณมันโหดหินเหลือเกิน เลิกทำท่าอย่างนั้นกับเราได้แล้วขอร้องเถอะนี่นี่ฉันมีของดีงวดสุดท้ายที่จะให้รางวัลคุณด้วยขอมอบให้คุณภายในคืนนี้เลยว่าแล้วแม่ผมแดงก็ส่งกล่องซิ ก, ก้าเล็กกล่องหนึ่งไปให้พร้อมกับกระติกบรันดีอันเหลืออยู่เพียงแค่เครื่องกระติกให้เขาพยักหน้าขยันขยอต่อมาเมื่อเห็นเขายังมองดูอยู่เฉยเฉยว่ารับไปสิไม่มีอีกแล้วนะ คืนนี้เราเวียนกันดื่มให้หมดกระติกนี่เลยพวกเราทั้งหมดให้เกียรติคุณดื่มก่อนซิก้านี่ก็เหมือนกันเอาออกมานับดูแล้วเราแบ่งกันได้คนละซองพอดีที่ส่งไปให้นี่นะฉันเตรียมไว้สำหรับคุณคนอื่นเข้าได้ไปหมดแล้วบอกก่อนว่าถ้าคุณปฏิเสธไม่รับก็แปลว่าเราไม่รักกันจริงประโยคหลังหล่อนเน้นเสียงมาอย่างจริงจังหนักแน่นที่สุดระพย์งกว่าสายตามองไปยังใบหน้าของนายจ้างเขาแต่ละคน ที่มองจับมาอย่างของร้องก่อนแล้วจึงเพื่อให้เป็นความพอใจแก่บุคคลเหล่านั้นเขายอมรับเอาซิก้าเสนั้นไว้ใส่กระเป๋าเสื้อแจ็คเก็ตและเปิดฝานกระติกยกขึ้นกรอกใส่ปากเข้าไปอึกใหญ่ส่งเวียนไปให้เชิดวูดทุกคนต่างร่วมดื่มบรันดีจำนวนสุดท้ายนั้นจากกระติกเดียวกันเวียนจนทั่วโดยแซนลี่เป็นคนสุดท้ายซึ่งมันก็เกลี้ยงฉาดหมดกระติกพอดี หัวหน้าคณะอเมริกันความกระติกประปาๆให้ดูกับพื้นรู้สึกว่าพวกเรามีอะไรที่อยากจะบอกกับผมสักอย่างแต่ยังไม่ได้บอกมีอะไรหรือครับเขาถามขึ้นพลางเลิกคิวสแตนลีย์มองหน้าพักพวกแล้วเปลี่ยนสายตากลับมาที่เขาอีกครั้งยิ้มอย่างเปิดเผยอาหารเมร็ดสำเร็จรูปและน้ำเคมีของเราที่เตรียมมาซึ่งเราแจกจ่ายกันประทังชีวิต ตลอดระยะเวลาหลายๆวันที่เราหาอาหารและน้ำไม่ได้หมดลงแล้วกระินหมดเกลี้ยงฉาด ต, ตั้งแต่มื้อสุดท้ายเมื่อกลางวันนี้เองถ้าคืนนี้คุณไม่สั่งให้บุญคำยิงกวางก็แปลว่าเราทุกคนอดอาหารกันทั้งหมดเท่ากับที่ถ้าคุณหาแหล่งน้ำไม่ได้เราก็อดหน้าเหมือนกันถึงแม้เราจะมีการเตรียมพร้อมมาล่วงหน้าแต่เราก็กะปริมาณผิดเพราะคาดไม่ถึงว่า ผลทางมันจะทุรกันดานถึงเพียงนี้แต่ในที่สุดก่อนที่เราจะอดตายกันคุณก็สามารถนําเรามาถึงเนินพระจันทร์ได้พบแหล่งน้ําและยังได้อาหารสดมาประทังชีพมันก็เหมือนกับว่าพวกเราตายแล้วเกิดใหม่สิ่งนี้พวกเราไม่ได้บอกให้คุณทราบมาก่อนเลยเพิ่งจะมาบอกเอาเดีย๋ยนี้และอีกประการหนึ่ง บนเทือกพระศิวะที่เรากำลังจะหาทางตัดขึ้นไปนั่นเราก็รู้สึกว่ามันเป็นความพยายามขั้นสุดท้ายของเราแล้วชีวิตเราอาจไปดับสนกันอยู่บนนั้นเพราะมันเป็นหนทางที่เสี่ยงที่สุดยิ่งกว่าเส้นเส้นทางทุกเส้นที่เราเดินกันมาแล้วก่อนจะถึงเนินพระจันทร์พวกเราทั้งหมดท้อแท้ทอดอะไรกันหมดแล้วคิดแต่เพียงว่าวาระสุดท้ายของชีวิตต้องมาถึงแน่ แต่คุณก็สามารถนำทางให้มาถึงได้พร้อมทั้งได้น้ำและอาหารพร้อมซึ่งก็แปลว่าคุณสามารถต่อชีวิตให้พวกเราได้ทั้งหมดอย่างที่เราไม่ได้คาดคิดมาก่อนรัพินภายวันขมวดคิ้วนี่เป็นสิ่งที่เขาเพิ่งทราบโอ้โอเขาอุทานออกมาผมขอแสดงความนับถือในน้ำใจอันหนักนวงทรหดและเฉียบขาดของพวกคุณอย่างแท้จริง ที่ไม่ได้บอกถึงภาวะวิกฤตสุดขีดนี้ให้ฝ่ายของผมต้องตกใจขวัญเสียใดๆเลยแต่ถึงอย่างไรเราก็ผ่านวิกฤตการนี้มาได้แล้วอย่างวุดวิตที่สุดนี่ผมไม่รู้เลยว่าอาหารสาเร็จรูปและน้าเคมีของเราหมดแล้วเพราะพวกคุณไม่ยอมบอกซ้ำยังมีกำลังใจที่จะเดินมากับพวกผมโดยไม่แสดงความหวัน่นพร่นพรึงย่อท้ออะไรให้เห็นเลย แสดงว่าทุกคนมีความกล้าหาญเด็ดเดียวสุดยอดเกินกว่าที่ผมคาดคิดเสียอีกนายคงไม่ตำหนิพวกเรานะที่ไม่ได้บอกให้รู้ในเรื่องนี้คิดถามขึ้มๆึมจริงจังไม่มีอะไรที่จะต้องตำหนิเลยตรงข้ามกลับนับถือใจเสียด้วยซ้ำรพินกล่าวอย่างจริงใจยิ้มให้แก่ทุกคน พวกนายไม่ได้ให้พวกฉันเดินมาฝ่ายเดียวแต่พวกนายก็เดินมาพร้อมกันด้วยแบบนี้หากจะมีการอดอาหารหรืออดน้ำตายกันขึ้นก่อนก็คือฝ่ายของพวกนายนั่นแหละก็แปลว่าพวกนายใจถึงแล้วแต่ผมก็ไม่รู้เรื่องนี้ด้วยเลยนะครับเขาไม่ได้บอกผมเหมือนเหมือนกับไม่ได้บอกพี่เหมือนกันเชิดวุดเอ่ยขึ้นมาในทันทีนั้นรพินก้มหัวลงนิดหนึ่งผมทราบครับ ทั้งสี่คนนี้ถ้าบอกให้คุณวุฒิรู้ก็เท่ากับให้ฝ่ายของผมรู้ด้วยนั่นเองพวกเขาสี่คนที่คุมครังสัมภาระที่เอาติดตัวมารู้กันเฉพาะในหมู่พวกเขาเท่านั้นและจัดว่าเสี่ยงอย่างยิ่งที่ฝากชีวิตไว้กับผมทั้งๆ ท, ท, ที่รู้ว่าอาหารสาเร็จรูปหมดไปแล้วแต่เหตุการณ์มันก็ประจบเหมาะพอดีที่เรามาถึงเนินพระจันทร์เสียก่อนเอาละ เราลืมเรื่องนี้เสียได้ไม่ต้องไปพูดถึงมันอีกผมรู้ว่าทุกคนเตรียมตัวตายกันแล้วทั้งนั้นแม้จะมาถึงเนินพระจันทร์นี้แล้วก็ตามสังเกตดูท่าทีคำพูดของดร์สแตนลีย์เมื่อครู่นี้กับอาการคุยเล่นแปลกๆของเบลแล้วเขาก็หันไปยิ้มกับอิซาเบลถามว่าในเมื่อตะกี้คุณถามผมไว้ว่ายังไงนะฉันถามว่าถ้าคุณรอดตายกลับไปบ้านได้ คุณจะไปประกอบอาชีพอะไรต่อจอมพรานผู้ยิ่งใหญ่ยกมือขึ้นลูบปลายคางมองสบตาอีกฝ่ายอย่างสนิทใจผมเบื่ออาชีพรพรานไพรของผมเต็มทีแล้วและผมก็พอจะมีทุนอยู่บ้างจากค่าจ้างที่ผู้พวกคุณให้มาแล้วบางทีผมอาจหันไปทำไร่หรือประกอบการค้าขายเล็กๆน้อยๆในท้องถิ่นที่ผมอยู่นั่นแหละชีวิตของผมเป็นอยู่ง่ายๆอยู่แล้ว ไม่สาอสแสวงหาอะไรที่มันเกินสถานภาพของตนเองหรอกสิ่งที่ผมต้องการก็คือเลิกฆ่าสัตว์ตัดชีวิตเสีทีนี่คือสิ่งที่ตั้งใจไว้คำตอบอย่างง่ายๆสงบสงี่ยและออกมาจากแก่นแท้จริงใจของเขาทำให้ฝ่ายนายจ้างอเมริกันทั้งหมดพากันเงียบงานไปชั่วขณะไม่มีใครบังอาจที่จะคิดไปในแง่ขบขันหรือคิดที่จะสัพยอกล้อเลียนใดๆอีก แม้กระทั่งอิซาเบลเองอันเป็นเจ้าของประโยคคำถามนั้นต่างมีความรู้สึกที่บอกกับตนเองตรงกันหมดโดยไม่นัดกันไว้เลยนั่นก็คือลึกลงไปในความเย่อหยิ่งทะนงจนกลายเป็นความแข็งกร้าวที่เห็นชาบอยู่ในบุคลิกภายนอกทั่วๆไปนั้นแท้ที่จริงชายคนนี้เป็นคนสุภาพอ่อนน้อมถ่อมตนและมีอะไรที่น่าสงสารเกินกว่าที่จะคิดไปได้ถึงแต่ก็ไม่ก่อนหน้า ที่จะได้มาใช้ชีวิตผูกพันร่วมเป็นร่วมตายกันอย่างสนิทชิดเชื้ออันทำให้สามารถมองทะลุแทงตลอดไปถึงธาตุแท้แก่นในของเขาได้การสนทนายุติไปโดยปริยายเมื่อบุญคำจันทร์และพวกลูกหาบพากันกลับขึ้นมาบนแคมป์ที่พักพร้อมด้วยเนื้อสดที่ชำแหละเป็นท่อน นำขึ้นไปวางบนร้านสำหรับย่างที่ตระเตรียมพร้อมคอยท่าไว้ก่อนแล้วโดยแบ่งออกเป็นสองส่วนส่วนหนึ่งที่ต้องการให้สุกเร็วเพื่อสำหรับเป็นอาหารสำหรับทุกคนสำหรับค่ำนี้ได้ถูกแล่ออกเป็นชิ้นบางๆโดยเลือกเอาบริเวณที่เป็นเนื้อดีที่สุดย่างด้วยกองไฟอันก่อให้มีเปลวอีกส่วนหนึ่งที่จะใช้เป็นสเสบียงกลังอันประกอบด้วยท่อนโตโ ต, โตโก็ย่างด้วยไฟรุมวางทับด้านบนไว้ด้วยใบสน เพื่อค่อยๆอบให้ระอุซึ่งอาจใช้เวลาตลอดทั้งคืนและไฟกองนั้นก็จะใช้เป็นไฟผิงไปในตัวด้วยชั่วไม่นานเนื้อส่วนที่ย่างเป็นอาหารเย็นก็ส่งกลิ่นหอมหวนทั้งคณะเดินตายได้มีโอกาสรับประทานอาหารสดจากเนื้อสัตว์เป็นครั้งแรกภายหลังจากว่างเว้นโดยอาศัยประทางชีพโดยอาหารเคมีที่สกัดเป็นเม็ดติดต่อกันมาเป็นเวลาหลายวัน จนร่างกายพายผอมและอ่อนเปรี้ยต่างรู้สึกแช่มชื่นกระปรี้กระเปราขึ้นขณะนั้นท้องฟ้าด้านหนึ่งก็ค่อยๆปรากฏแสงสว่างเรืองของจันทร์ข้างแรมอ่อนๆสาดขึ้นมาจับเนื้อทิวเขาและค่อยปรากฏเด่นชัดขึ้นทุกทีดุจเทพเจ้าค่อยๆสาดส่องโคมสวรรค์ลงมาอาบพื้นภูมิประเทศภายในบริเวณเนินพระจันทร์ที่มืดสนิท มันเป็นเวลาเดียว ก, กันกับที่ฝ่ายนายจ้างทุกคนรับประทานอาหารเสร็จพอดีรัพินลุกขึ้นยืนคว้าไราเฟิลไฟฉายประจำตัวเดินตรงมาอยู่งที่กลุ่มนายจ้างที่นั่งสูบซิก้าสนทนานกันอยู่เบาๆพร้อมกับเอ่ยขึ้นว่าเดินขึ้นแล้วครับ ผมอยากจะขึ้นไปสำรวจดูอะไรบางสิ่งบางอย่างบนบริเวณเนินพระจันทร์อย่างที่บอกไว้แล้วเมื่อเย็นนี้ถ้าพวกคุณยังไม่อ่อนเพลียกันจนเกินไปนักจะไปด้วยกันกับผมก็ได้หรือถ้าอยากจะพักผ่อนก็เชิญได้ตามสบายทุกคนของฝ่ายนายจ้างขยับตัวยืนขึ้นมาทั้งหมดเราจะไปกับคุณด้วยหัวหน้าคณะอเมริกันบอกสั้นๆในขณะที่เบลและคริสหันไปคว้าปืนประจามือ มาจากกองสัมภาระเชิดวุฒคิดก็เตรียมตัวอย่างรวดเร็วไม่มีใครแสดงอาการว่าจะขออยู่ในเฉพาะที่พักระพินเตื่นให้ทั้งหมดสวมเสื้อกันหนาวแล้วสั่งการไปทางบุญคํากับพวกลูกหาบทั้งหมดโดยบอกว่าจะขึ้นไปบนเนินพระจันทร์สักครู่กําหนดสั่งให้พวกนั้นอยู่เฝ้ารวมกลุ่มกันเฉพาะในที่พักเท่านั้นแต่คำำําทําท่าอยากจะติดตามเข้าขึ้นไปด้วย แต่ก็ไม่ได้รับอนุญาตบุญคำอยู่กับพวกนี้แหละไม่ต้องไปด้วยหรอกฉันขึ้นไปไม่นานเดี๋ยวก็กลับเขากำชับแล้วออกเดินนำหน้ากลุ่มนายจ้างทั้งหมดห้าคนไต่ทางย้อนกลับขึ้นไปยังบริเวณที่โคกสูงของทุ่งหญ้าเหนือบริเวณอันเป็นตำแหน่งวางแคมป์พักอยู่ในขณะนี้ท่ามกลางลายองแสงผ่องสกาวของดวงจันทร์ข้างแรมสีข่าซึ่งสาดสว่างเรืองรองไปทั่ว สามารถมองเห็นภูมิประเทศสิ่งแวดล้อมได้อย่างถนัดชัดเจนพอสมควรโดยไม่ต้องใช้ไฟฉายพอพ้นที่พักออกไปได้เล็กน้อยระหว่างที่จะไต่ขึ้นเนินรบพินก็หยุดรอทุกคนเพื่อจะได้เดินรวมกลุ่มไปพร้อมๆกันต่างเดินกันไปพลางสนทนากันไปพรางโดยจอมมักคุเทศไม่มีท่าทีแสดงอาการเร่งรีบรีบด่วนใดๆทั้งสิ้นนอกจากจะเดินไปตามสบาย เดินสว่างเหลือเกินคืนนี้ท้องฟ้าก็โปร่งดีด้วยสินี่มันข้างขึ้นข้างแรมยังไงกันนี่ผมไม่ได้ดูปฏิทินมาหลายวันแล้วแซนลี่เอ่ยขึ้นด้วยอารมณ์แช่มชื่นเป็นสุขอันบังเกิดขึ้นชั่วขณะเมื่อแงนหน้าขึ้นไปมองจับอยู่ที่ดวงเดือนอันลอยอยู่เหนือทิวเขาด้านตะวันออกลักษณะเกือบจะ ก, กลมโตมีรอยแหว่งเว้าของมุมส่วนหนึ่งไปบ้างเพียงเล็กน้อยเท่านั้น เป็นคืนแรมสี่ค่ำของวันที่17เดือนมีนาครับแล้วทำไมพระจันทร์ถึงเป็นดวงใหญ่กลมโตอยู่ยังกะขึ้น15ข้ค่ำงั้นแหละเสียงเบลเอ่ยขึ้นเหมือนรำพึงโดยไม่มีเจตนาจะตั้งเป็นคำถามสำหรับใครผู้คุณอาจจะมีชีวิตกันอยู่แต่เฉพาะในเมืองภายใต้อาคารคอนกรีตบังมาตลอดก็เลยไม่มีโอกาสได้สนใจกับธรรมชาติมากนะัก พระจันทร์ข้างเรมอ่อนๆจะมีดวงขนาดโตและสวยกว่าตอนข้างขึ้นแก่ๆเซีออ๊ยกโดยเฉพาะแรมหนึ่งค่ำดวงจะกลมสนิทและใหญ่กว่าขึ้นสิบห้าค่ำซ้ําไปซ้ํายังมีรัศมีที่นวลใหญ่กว่าอีกและนี่ก็เพิ่งจะแรมสี่ค่ำดวงก็เลยยังใหญ่อยู่สําหรับที่นี่ คืนนี้โชคดีมากที่ไม่มีหมอกปกคลุมทำให้เรามองเห็นอะไรต่ออะไรไปได้กว้างไกลในภูมิประเทศอันเป็นทุ่งโล่งไม่มีป่าทึบเข้ามาบังผิดกับทุกแห่งที่เราผ่านมาแล้วเสียงราบเรียบของจอมักคุเทศบอกมาชนิดที่ไม่มีใครสามารถจับอารมณ์หรือความรู้สึกใดๆของเขาได้ตามเคยครูเป็นคนที่ชนานาญต่อธรรมชาติมากนะคริสเอ่ยขึ้นเบา ขณะที่กวาดสายตาไปรอบๆตัวภายใต้แสงจังนทร์อ่อนนุ่มก็เหมือนเหมือนกับพวกคุณที่ชำนาญต่อวัตถุประดิษฐ์นั่นแหละชีวิตพรานป่าไม่รู้จักธรรมชาติไม่ได้ก็เลยทำให้รู้สัจธรรมของชีวิตมากขึ้นใช่ไหมคะก็ไม่แน่เสมอไปนะักเพราะหลายต่อหลายครั้งผมถามตัวเองว่าชีวิตเกิดมาเพื่ออะไรแต่ผมค้นหาคาตอบไม่ได้โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ชีวิตของครูเองใช่ผมไม่รู้หาคำตอบไม่ได้ว่าชีวิตผมเกิดมาเพื่ออะไรให้ฉันตอบได้ไหมคะถ้าคุณสามารถทุกชีวิตในโลกนี้เกิดมาเพื่อใช้กรรมเก่าทั้งนั้นคริสคุณรู้ปรัชญาทางตะวันออกมากทีเดียวทั้งทั้งที่คุณเป็นนักวิทยาศาสตร์ของโลกตะวันตกอันเต็มไปด้วยวัตถุธรรม สองคนนี้เลิกพูดอะไรกันเป็นรหัสที่พวกเราฟังกันไม่เข้าใจเสียทีได้แล้วนี่เราเดินกันมาด้วยกันเป็นหมู่คณะทั้งหมดนะไม่ใช่มีคริสตินากรูวินกับรัพร์พินไพรวันเดินมองตากันเศร้าๆอยู่ในแสงจันทร์ตามลำพังสองคนเท่านั้นอิซาเบลทะลุกลางป้องขัดขึ้นเบลคุณเป็นคนฉลาดมากอีกคนหนึ่งในคณะของคุณแต่เป็นคนไม่สํารวม สุภาพบุรุษไพรหันไปกล่าวกับหลอนอย่างสุภาพพร้อมทั้งยิ้มให้แม่ผมแดงหัวเราะเสียงใสชอบอกชอบใจส่งเสียงบอกมาปนหัวเราะว่าคนไม่สำรวมอย่างฉันนะ่ะไม่มีรับลมคมในอะไรที่จะต้องทำให้คุณลำบากใจรกนะดูหน้าก็เห็นหน้าดูหลังก็เห็นหลังไม่มีสิ่งซ่อนเร้นแอบแฝงแต่ปากเสียทำให้ระคายโสตคนฟัง แล้วก็บางทีกลายเป็นหยาบคายหน้าด้านคริสสวนมาด้วยเสียงเบาแต่กระแสเสียงนั้นคมเฉียบฟักเสียงในคิดร้องลั่นออกมาอย่างรำคาญ